มาทำสมาธิภาวนากันไม่ได้มีธุระอย่างอื่นการภาวนานั่นก็มุ่งหวังทำจิตให้เป็นหนึ่งในขั้นต้นเนี่ยให้เข้าใจจิตไม่เป็นหนึ่งนี่แหละมันลำบากมันกวดแก่งไปมา เดียวไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งนั้นเดียวก็ไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งนี้ท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงที่มันกระโดดโลดเต้นไปในป่าคว้าใส่กิ่งไม้กิ่งนี้เมื่อไม่มีโลกแล้วก็วางกิ่งนี้ไปคว้าใส่กิ่งโน้น หวังว่าจะแสวงหาผลไม้แต่แล้วก็ไม่ค่อยมีผลไม้ก็ต้องโหนไปเรื่อยไปอย่างนั้น่นียน้อยต้นที่จะมีผลนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ จิตที่มันไปเที่ยวเล่ร่อนไปยึดสิ่งนั้นพอใจในสิ่งนี้เลื่อยเปลยไปอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารแม้แต่น้อยเดียวในสิ่งที่ใจมันไปผูกไปพันอยู่นั้นเช่นเดียวกับลิง กระโดดโลดเต้นไปในป่านั้นน่ะน้อยต้นที่จะมีผลอันไม้นั้นก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยดัยงนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ทรงบอกอุบายวิธีฝึกใจให้เป็นหนึ่งเพื่อให้มันยุติจากการที่มันไป เกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งภายนอกนั่นไม่ใช่นั้นแล้วมันก็จะเกาะจะคล้องอยู่ในโลกสงสารอันเนี้ยจิต ด, ดวงเนี้ยเมื่อตายแล้วไปไหนก็ไม่ได้ลนะจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปนิพพานก็ไม่ได้ มันก็ต้องร่องลอยอยู่ในโลกอันนี้หาที่เกิดอยู่ล่ำไปเนี่ยเด็ก็ต้องพิจารณาดูการเกิดนี่เนะี่ยมันมีความสุขอย่างไรบ้างนนเกิดมามีลูกมีนามอันนี้มาแล้วมัก็ต้องมาหาเลี้ยงมันระบเนียดนะ่ะ ต้องควัญขวายหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้แสนยากแสนลำบากเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ถ้าไปบินธบาตได้บินธบาตน้อยก็ลำบากไม่ขอทั้นทันได้มากก็ลำบากอีกอย่างหนึง่ง มันไม่พอดีสักอย่างโรคอันนี้อย่างนี้นยะเป็นครือหัดผูกของเรือนอย่างนี้ยิ่งหนักการทำมาหาเรียงผีพมันต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างอะไรอะไรตนเองไม่หาไม่ ท, ทำทก็ไม่มีนะเรื่องว่ามันแสนยากแสนลำบาก การได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาเพราะว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารหนึ่งผ้านุ่งผ้าห่มหนึ่งที่อยู่ที่อาศัยหนึ่งยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องรับประทานยา โรคมันก็จึงบรรเทาลงไปได้ในการที่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วมันต้องได้บำรุงบำเรมันด้วยปัจจัยสี่อย่างนี้ปัจจัยสี่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปหาได้ง่ายๆเมื่อรดอะพวกที่ไม่มีสติปัญญามากกัน ยิ่งลำบากหลายหลังสู่ฝ่าหน้าสู่ดินแบกแบกหามหามขุดดินฟันไม้เลยไม้ถากไม้อะไรสารพัดกลัวจะได้เงินได้ทองมาแต่ละบาและเบีย้ยมาเลี้ยงตัวและครอบครัวมันแสนยากแสนลำบากจริงๆ ถ้าผู้มีสติปัญญาดีผู้มีบุญรัตสนาได้ทํามาแต่ชาติก่อนบุญนั้นมาอำนวยผลให้ค่อยชั่วหน่อยแต่ถึงอย่างไรบุญนั้นจะมากอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไอ้ความแก่ความเจ็บความตายได้เด่นเดียวกันนั่นแหละ ทั้งคนรวยทั้งคนจนย่อมไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาต้านทานร่างกายอันนี้ไม่ให้แก่เจ็บตายนั้นไม่มีเลยนี่ในผู้มีความคิดอันสกุล ม, มันก็ต้องพิจารณาเข้าไปมันถึงความจริงของร่างกายอันนี้เลย เมื่อพิจารณาลงไปมันถึงความจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะเกาะจะคล้องไม่ค่อยยึดถือในนามในรูปนี่ด้วยความพออกพอใจต่างๆก็มันเห็นแจ้งอยู่นี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจรังย่งยืนไม่มีอะไรที่จะ บังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังได้ทุทกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีพอเห็นอย่างนี้แมันจึงหัดปรงหัดวางบนี้อย่างการนั่งสมาธิภาวนาวนี้ก็เรียกว่าเรามานั่งหัดปรงสังขารปรงขันห้าอันนี้เองเนี่ยถ้าพูดสั้นๆ น, นะ มันไม่ยอมปลงดิถ้าอยู่ตามธรรมดาเนี่ยมันยึดถือว่าเป็นของเราว่ากายเราใจเราอยู่อย่างนั้นนะเมื่อมันยึดถือมีเรามีเขาอยู่นั้นมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะเพราะว่ามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง มันก็แปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เรื่อยไปร่างกายอันนี้นะนักปราชผู้มีปัญญามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จึงได้ทรงเหนื่อยหน่ายในร่างกายสังขารนี่ถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้พระองค์มีรูปสวยรูปงามกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ตามนะ คกงก็ยังมองเห็นว่ารูปอันนี้ถึงมันจะสวยงามอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงนานไปมันก็ทรุดโทรมไปความสวยงามมันก็หายไปผลสุดท้ายมันก็แตกทำลายลงก็มีเท่านี้เองเนี่ยความจริงของร่างกายสังขารอันนี้แต่คนผู้หลงผู้เมา ผู้ปล่อยให้อวิชชาตัณหาครอกงามจิตใจล้วเมื่อหนักไม่พิจารณาเมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ไม่เห็นความจริงของร่างกายอันนี้นั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่แต่ไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่านี่มันน่าทุเรศจริงๆนะก็จิต ก็อาศัยอยู่ในกายนี่ใกล้เคียกันอยู่อย่างนี้นะแทนที่จะเห็นจริงเห็นจังลงไปจะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเนี่มันก็ไม่เบื่อไม่น่ายมันไม่เบื่อไม่หน่ายก็เพราะมันไม่เห็นแจ้งอย่างว่านั่นนะถ้าเห็นแจ้งแล้วเบื่อหน่ายแน่นอนนะคนเราอะ่ะ มันจะไปชื่นชมยินดีกับของไม่เที่ยงกับของที่เป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้คนมีปัญญายอมไม่หลงไหลไปกับของไม่เที่ยงนั่นก็เมื่อมันไม่เที่ยงก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนั้นเมื่อมันเป็นทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ มันจะทนอยู่ได้อย่างไรร่างกายอันนี้นะลองไม่รับประทานอาหารส ก, กิวันดูสินั่นแหละร่างกายนี่มันจะทุกสีดลงไปหมดเลยนหละเพราะมันไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงไว้นั่นก็เมื่อมันทุกสีดลงไปอันนั้นแล้วมันก็เป็นทุกข์ระบาดนิจที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ ลุกก็ยากนั่งก็ยากแหละไม่มีกำลังเรี่ยวแรงเลยเพราะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงไว้เนี่ยลองพิจารณาดูอย่างนี้แหละร่างกายอันนี้ที่มันแข็งแรงอยู่ได้นี่เพราะมันอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้เฉยๆนะอาศัยอาศัยยุกยาบำบัดโรคภัยให้ระ ง, งับออกไปจากร่างกายอันนี้ ร่างกายอันนี้ก็จึงค่อยเปล่งปลังขึ้นมาจึงค่อยอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นถ้าขาดอาหารลงเมื่อใดแล้วก็ร่างกายอันนี้ก็ค่อย ใ, ใจเหี่ยวแห้งไปนั่นเองลองสังเกตดูพิจารณาดูนั่นดังนั้นน่ะเมื่อเราพิจารณาหลายด้านมาประกอบกันเข้าน่ะ มันก็จะเห็นจริงเห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออย่างว่านั่นนะีก็ไม่เบื่ออย่างไรแล้วซ้ำซ้ำซากซากอยู่ไม่รู้แล้วรู้หลอดเอาอาหารรับประทานมือนี้แล้วเอามือต่อไปวัเอาอีกหามารับประทานอีกแล้กวก็ยังไม่แล้วมือต่อไปวันต่อไปก็ต้องหาอาหารมา เยียวยาร่างกายอันนี้อีกอยู่อย่างนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารื้อฮัดก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละแต่ว่านักบวชนี่มันก็มีกำหนดเพียงวันละมือวันละมือะม้อเท่านั้นเองก็อยู่ได้แต่ผู้ครองเรือนแล้ววันละสามมือสี่มือ้อ อันนี้มันจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้ว น, นี่นี่พิจารณาดูให้ดี เ, เมื่อเป็นทุกข์เราจะให้ทำยังไงก็ครองเรือนอยู่เมื่อผู้ครองเรือนเนี่ยมันก็ต้องทามาหาเลี้ยงอัตภาพอันนี้อยู่อย่างนี้แล้แลวจะให้ทำยังไงแบบนี้ ก็เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันลำบากลำบนดังกล่าวมาแล้วนั้นก็อย่าไปทำบาปนั่นแหละข้อสำคัญนะอย่าใช้กายวาจาอันนี้ไปทำบาปทัาน้า่าไปทำบาปแล้วนะั้นมันยังเกิดได้รูปกายอันไม่ดีไม่งามยิ่งกว่านี้อีกหลายสิบเท่าทีเดียว มันยังจะได้ไปอาศัยร่างกายอันไม่สมประกอบเช็นร่างกายของสัตว์นรกร่างกายของเปรตร่างกายของอสุรกายร่างของสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราเห็นด้วยตาอยู่นี่ร่างของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันลำบากขนาดไหนมันต้องพิจารณามันเห็น ซาดิริฉานนี่มันก็หากินอย่างแสนยากแสนลำบากอย่างนกอย่างนี้นะสมัยทีว่านี่มันไม่มีดงมีป่าต้นไม้ที่มันมีหมากมีผลเช่นต้นไทรอะไรพวกนี้นกน่ะมันอาศัยกินผลไม้หมากไม้พวกนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะ ไม่มีจะให้ได้อาศัยกินเลยก็เล่ล่นไปหาอาหารเยียวยาร่างอันนี้นะพอประทางเป็นอยู่ไปได้วันวันสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเนะส่นสุนัข ก, ก็ดีแมวก็ดีแล้วแต่เจ้าของอย่าเอ็นดูถ้าเจ้าของ เรียดช่างแล้วไม่ให้อาหารกิน่ซ้ำแล้วไปเที่ยวเล่ยรอนหากินเสรจกินเดนอะไรต่ออะไรไปพวกสุนัขพวกนี้ยเรียกว่าสุนัขไม่มีเจ้าของอดมือกินมือไป น, นั้นแล้วในที่สุดก็ตายเมือ่อเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเพียงพอนี่นะพระพุท เ, เจ้ายึงตรัสว่า สเปสตาอาหารสถิตกาจตารโรมหาภูตาทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวหรือว่าเป็นอยู่ด้วยอาหารสี่อย่างเดียวเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนนะไม่มีผิดเลย เมื่อเมื่อมีความเกิดขึ้นมีธาตุสี่ขันธน์นี้ขึ้นมาแล้วจะส้องอาศัยอาหารสี่เป็นโยนู่นกวริงกวราอาหารอาหารคือคำเข้าพัฒษาาหารอาหารคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสันเจตนาอาหารอาหารคือความคิด วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารสี่ประการนี้เทว่าเอ่อเป็นอยู่ด้วยอาหารคือคําเข้า นั่นน่ะอันนั้นมันแจ้งชัดอยู่แล้วว่านี่พัฒนาหารนั่นคืออะไรอาหารคือสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างอันที่มาสัมผัสกับร่างกายอันนี้นะแล้วก็อารมณ์ต่างๆมาสัมผัสกับจิตนี้นี่แหละถ้าหากว่าจิตนี้ ได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีมันก็ทำให้จิตนี้ล่าเริงบันเทิงเบิกบานผ่องใสจิตนี้ถ้าได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นที่น่ารื่นเริงบันเทิงใจเช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจในี้เศร้าหมองเป็นทุกข์ เดือดร้อนวุ่นวายนี่เนี่ยสัมผัสอันนี้มันก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วมันเป็ น, นเอาสัมผัสที่ดีมันก็เหมือนกับบุคคลได้อาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี่แหล ะ, ะร่างกายนี่ก็เป็นอยู่ได้กระทุ่มกระัวยแหละมีอาหารถูกธาตุอาหารอันดี ถ้าว่าได้ไปเจออาหารที่สแสลงกับโรคภัยไข้เจ็บเข้าเช่นนี้แล้วหาความสุขเป็นปกติไปไม่ได้เลยได้สเวสวยทุกขเวทนาอะไรบนี้อาหารทำพิษอ่ะเบ่งันอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจที่มันได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอากุศลแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นเนีะ มัวหมองไม่ผ่องใส น, นี่อาหารของคนเรานี่นะมีทัางอาหารกายอาหารใจอย่างนี้แหละฉ <c oughs> ันเจตนาอาหารอาหารคือความคิดนี่ความคิดความอ่านนี่ก็เป็นอาหารของจิตเนี่ยแต่แล้ววันนี้ถ้าหากว่าจิตนี่ไม่ฉลาด ไม่มีปัญญาแล้วมันก็จะคิดไปในทางที่เป็นบาปปังคิดไปทางเป็นบุญบ้างคิดไปในทางที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปปังนี่สาเหตุที่จิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดจากความคิดนั่นแหละเมื่อมันคิดเป็นบาปคิดไม่ดีเช่นนี้ ความรู้สึกก็เร่าร้อนแนละ้อมัวหมองเดือดร้อนถ้ามันคิดดีคิดเป็นบุญเป็นกุศลคิดไปในทางเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้ความคิดนั้นมันก็ปลอดโปร่งดีจิตผู้คิดก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนคิดไปในทางกุศลนะแต่ว่า วิสัยของบุตรชนนี่มันมันมันเว้นไม่ได้มันย่อมคิดไปทั้งสองทางคิดไปในทางบาปอากุศลมันก็คิดคิดไปทางบุญทางกุศลมันก็คิดแล้วใจเหตุอันใดมากระทบเข้ามันก็คิดไปในเหตุนั่นนหละพราอไม่รู้แจ้งนี่ไม่รู้เท่าอ่ะวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณ ความรู้ทางตาหูจมูกกลิน้นกายใจอันนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณอันนี้ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งแน่นอนแหละอันวิญญาณทางตาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าตาบอดลงวิญญาณเข้ามาอาศัยไม่ได้ ความรู้สึกในอารมณ์ทางตาที่ตาที่บอดนั้นไม่มีแล้วนั่ น, นหายไปแล้วแล้วก็ความสว่างของตาลูกนั้นก็ไม่มีแล้วดับพุกไปหมดแล้วอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าวิญญาณนี่เหมือนมาอาศัยอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ มันก็ไม่เทียงไม่อย่างยืนอะไระทั้งวิญญาณก็ไม่เทียงรูปกายที่วิญญาณมาใสยนี่ก็ไม่เทียงพอรูปแตกนามก็ดับท่านกล่าวไว้ไม่มีผิดเลยก็ต้องพิจารณาดูให้มันเห็นอย่างนี้แหละวิญญาณเหล่านี้มันก็เป็นอาหารของชีวิตของร่างกาย ถ้าหากว่ารูปกายอันนี้มันชารุดสุดทอมเต็มที่แล้ววิญญาณอาศัยไม่ได้แล้ววิญญาณเนี่ยก็ค่อยดับไปดับไปนะตาก็มัวไปหูก็อื้อไปฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดจมูกสูดกลิ่นอะไรก็ไม่ค่อยหอมหวนหรือไม่ไม่ค่อยรู้สึกในกลิ่นนั้นได้เต็มที่เลยเพราะว่า ฐานะประสาทนั้นมันเสื่อมทรมลงไปแล้วอมันจะไปรับรู้ซึ่งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรเหมือนได้ยังหนุ่มนั่นได้เต็มที่นั่นไม่ได้แล้วอลิ้นก็เหมือนกันอนอะเมื่อมันชำรุดทรุดทรมไปแล้วอย่างนี้มันรสอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนแต่ยังหนุ่มดันั้นต้องเลือกอาหารซะเต็มที่เลย เนี่ยจึงเห็นใจคนแก่เมื่อเราแต่ยังหนุ่มเราเห็นคนแก่นั้นเลือกแต่อาหารอยู่อย่างนั้นเราก็รำคาญเนี่ยคนแก่นี่เลือกแต่อาหารโอ้เลยมาถูกตัวเองเข้าไปแล้วก็นั่นน่ะมันรู้ได้เลยถ้าอาหารไม่ถูก กับธาตุจริงๆแล้วมันก็ถันไม่ได้เลย น, นั่นแหละมันมันไม่เหมือนแต่ยังหนุม่มเมื่อยังหนุ่มนี่อะไรอะไรมันก็ว่ากันลงไปได้เลยเพราะว่าธาตุไฟมันยังแรงอยู่ น, นั่นแหละธาตุทั้งสี่มันยังมีกำลังดีอยู่มันย่อยอาหารได้เร็วมันเรียกร้อง มันเรียกล้องอาหารได้เสมอทีเดียวเป็นอย่างนั้น <c oughs> ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อวิญญาณเมื่อมันสำรุดชุดโทมลงไปแล้ววิญญาณก็ความรู้สึกทางวิญญาณนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะไม่เหมือนใจยังหนุ่มแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไป เจ็บน้อยเนี่ยมันก็เป็นการเจ็บมากไปอย่างนั้นเนี่ยความต้านทานมันไม่เพียงพอแล้วเป็นอย่างนั้นนะดันั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันเห็นวิญญาณทางใจก็เหมือนกั น, นถ้าสิ่งที่ชั่วร้ายมากระทบตาเข้าอย่างนี้นะ วิญญาณตามันก็รับรู้แล้วมันก็ส่งกระแสของตัวเองเข้าไปสู่จิตนุ่นอา้าจิตก็วุ่นวายแล้ววันนี้นะพุ่งสั้นเนะี่ยมันเลยรับอารมณ์ที่ไม่ศพไม่พอใจอารมณ์ที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบมันก็วุ่นวายละจิตใจวันนี้สแสดงความโท่มันนัดครับแค้นใจหรือว่าสแสดงความโกรธ ต่างๆขึ้นในใจเราเพราะมันไม่ชอบในรูปนั้นนีนนนะ่แม่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันเนี่ยอย่างนั้นนยะทีนี้เมื่อรูปดีๆสวยๆงามๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมหวนรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มดี มาถูกต้องเข้าอย่างนี้รู้สึกว่าดีอกดีใจสบายใจคนที่ไม่รู้เท่าไม่มีปัญญาไม่ได้เคยพิจารณามาก็ติดแล้วันนี้นะเมื่อได้รับสัมผัสอันเป็นที่น่าพอใจอย่างนั้นก็ดีอกดีใจก็ติดอยู่ในสัมผัสอันนั้นอีกไง เมื่อได้รับสัมผัสอันไม่น่าพอใจก็เสียใจโกรธนั่นเรื่องเรื่องสัมผัสอันนี้นะกายะสัมผัสอะมโนสัมผัสนั่นแหละเมื่อใจมันสัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่พออกพอใจมันก็เกลียดอย่างว่ามันติดมันคล้องนี่แหละให้ภากันเพจรณาให้ เห็นความติดความคล่องของดวงจิตเนี่ยมันติดอย่างไรมันคล่องอย่างไรนี่เราไปแยกเ่ยดูอย่างนี้น่ยอมันก็รู้ได้อ๋อมันติดมันค้่องอย่างนี้นี่เอาละตอนนี้ไปเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่มากระทบถูกต้องอกายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะ่ะ ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้รู้เท่าเพราะว่าสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องกันอยู่นี่เมื่อเพ่งพิจรารณาให้ถึงความจริงแล้วมันก็มีแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองเนี่ยอ่าจิตนี่ก็ท่านก็เรียกว่ามาโนธาตุนี่นะอ่นะเป็นธาตุสริสตึงเป็นอรูปธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีรูป แม้เวทนาสังขารวิญญาณก็เป็นอรูปประธาต์เป็นธาตุที่ไม่มีรูปเหมือนกันนะไอธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มองเห็นด้วยตาอันนี้เป็นรูปประธาต์เป็นธาตุที่มีรูปร่างก็เมื่อพิจารณาให้ถึงความจริงเข้าไปแล้วมันก็ไปอย่างนี้นะมันเป็นสภาวะธาตุไปหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นนะขอให้พากันพิจารณาให้ดีพิจารณาให้มันถึงความจริงอย่างนี้แล้วก็ปรงก็วางลงนะหัดทรงหัดวางแบบนี้หยุดคิดแบบนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารณ์อะไรต่อไปนั่นนะจึงเรียกว่าปรงว่าวางขันห้านี่นะ ก่อนจะโปรงกรวางลงได้มันต้องใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแท้ๆแล้วมันนี้มันจึงสรุปลงได้เลยว่าขันห้านี่ไม่ควรยึดถือเขือนยึดถือก็เป็นทุกข์เปล่าๆดังแสดงมา